พอเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบางคนมีใครมาช่วยทันทีแต่บางคนก็ถูกเมินส้ำร้ายบางคนโดนปล้นซ้ำเติมขณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกอย่างเนี้ยเป็นความต่างของผลกรรมหรือไม่ครับตอบแน่นอนครับเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกรรมที่สั่งสมกันมาคนละอย่างทั้งสิ้น ถ้าชอบช่วยคนก็ยากที่คุณจะถูกเมินยามเคราะร้ายแต่ถ้าชอบซ้ำเติมคนก็ง่ายที่คุณจะถูกกระทืบซ้ำยามลม้มแต่ก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันในกรณีที่ชาตินี้ใจร้ายแต่ชาติก่อนอาจจะใจดีหรือชาติก่อนอาจใจร้ายแต่ชาตินี้ใจดีผลก็อาจเหมือนผิดฝาผิดตัวได้เป็นบางครั้งเช่นนักบุญอาจถูกปล้น หรือคนบาปอาจได้รับความช่วยเหลือขอให้จำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับผู้ประสบเคราะห์และมีคนแสดงน้ำใจหยิบยื่นมือมาช่วยฉุดช่วยดึงหรือช่วยหามทันทีนั้นเป็นเพราะกรรมที่เคยมีน้ำใจช่วยคนจะชาตินี้หรือชาติก่อนก็ตามทีการได้รับความช่วยเหลือสะท้อนให้เห็นว่าณจุดที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้มีแต่วิบากชั่วยอย่างเดียวที่จ้องเล่นงาน แต่ยังพอมีวิบากดีคอยช่วยช้อนประคองอยู่ด้วยไม่ว่าคุณจะลงมือช่วยเหลือใครเล็กๆน้อยๆก็อย่าดูเบาว่าเป็นเพียงบุญขนาดจิว๋วเพราะเมื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหลายครั้งเข้าคุณย่อมได้ชื่อว่าสั่งสมนิสัยของความเป็นคนใจบุญและขับดันให้มีกระใจอยากช่วยใครต่อใครมากขึ้นพอถึงคราวที่ต้องประสบเหตุร้ายตามการวางแผนของบาปเก่า อย่างน้อยก็มีตัวช่วยเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ก็เป็นปาฏิหาริย์อันเกินจะใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าเกิดขึ้นช่วยคุณให้รอดปลอดภัยไร้รอ ย, ยเท่าเล็บข่วนได้อย่างไรครับร้อนแรงมาชานานไว้วนผ่านชั้นพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงา